ไม่ได้ประพฤติโปรหมจันท ร, ร์เพื่อนางอับษรเมื่อฉันเสร็จแล้วได้กล่าวธรรมภาสิทธแล้วไปพักอยู่นราชอุทยานชื่อมิขาจิระของพระเจ้าโกราพยะณพระราชอุทยา น, นั้นท่านได้แสดงธรรมแด่พระเจ้าโกราพยะผู้ตรัสว่าบางคนออกบวชเพราะประกอบด้วยความเสื่อมอันเนื่องมาจากความแก่ความเจ็บไข้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 ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกไม่มีเจ้าของจำละสิ่งทั้งปวงไปสโลกร่้องไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเมื่อพระเจ้าโกรพยะตรัดถามถึงความหมายก็อธิบายโดยละเอียดซึ่งพระเจ้าโกรพยะก็ทรงเลื่อมใส